ทุกทุกท่านที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนาล้วนแล้วจ่ออกมาจากคนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนำาร่างกายของคนร่างกายของชาวบ้านนั่นแหละ มาเป็นพระการนำร่างกายของคนมาเป็นพระคือเป็นพระด้วยเจตนาวิราชมดเว้นในสิ่งที่คารวะหรือ คนทั้งหลายเขาทำอันเห็นว่าเป็นการขัดต่อความเป็นพระเพศของพระการปฏิบัติของพระเหล่านี้งดทั้งหมดจึงเรียกว่าพระโดยสมบูรณ์ทั้งการบวชก็ถูกต้องตาม พุทธบัญญัติเป็นสมบัติหมดทุกอาการแห่งการบวชไม่ได้เป็นวิบัติแม้ข้อใดข้อหนึ่งเขาเลือกแฝงเลยจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพระนี่แหละพระทิ่นำออกจาก คนของครารวะมาเป็นพระเป็นสมมุติขั้นหนึ่งโลกก็ทราบกันโดยทั่วถึงว่านี่คือเพศของพระเราเองก็ทราบภายในใจของเราการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามร่องรอยของ พระโดยแท้จริงตามหลักศาสดาที่ประทานไว้นั้นต้องถือว่าเป็นภาระของนักบวชทุกๆ ท, ท่านเฉพาะอย่างยิ่งท่นทานทาั้งหลายเข้ามาอยู่สถานที่นี้ซึงมาจากถิ่นฐานบ้านเดิมของตนทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลมุ่งเจตนาเป็นอย่างเดียวกัน คือบวชมาเพื่อทำารรมละสางกิเลขคาว่ากิเลสกิเลสนั้นเป็นชื่อทางธรรมหรือทางาศาสนาท่านตั้งไว้เป็นคู่เกียงกับธรรมกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นภยัยทําเป็นคุณนำคุณเข้ามาชำระโทษ ซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายวาจาใจของตนและระมัดระวังโทษอันจะเกิดขึ้นในทวารเดียวกันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังชำระสาสางโทษที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจมาดั้งเดิมนี้ให้หมดไปโดยลำดับดรมดาด้วยการประพฤติปฏิบัติ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 พระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเป็นทางดาเนินถ้าเป็นเรือก็ต้องพึ่งเป็นพึ่งตายกับเรือถ่ะเป็นข้อปฏิบัติออกจากพระโอวาทก็ต้องหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอวาทนี้เท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องแฝงเข้ามาอีดขวางทางเดินของเราที่เป็นไปตามพระโอวาทนี้ จงถือว่าสิ่งนั้นเป็นภัยต่อตนด้วยและยังจะระบาดสตร์กระจายไปกว้างแคบไม่มีประมาณอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติระหวังมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลัก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 คือเพราะข้อวัดปฏิบัติการดําเนินของเรานิสัยเดิมเป็นสิ่งสำคัญมากยาเข้าใจว่านิสัยนั้นจะไม่ติดแนบมาด้วยกับเราแต่ละรายระหลา ย, ลลายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ป่ากคอกพอได้โอกาสจะต้องออกก่อนเพื่อนฝูง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 เลือคล้อยตามไปท่ายไรยิ่งลังไหลออกมาหมดทั้งคอกถ้าเป็นวัว ก, ก็หมดทั้งคอกเหลือแต่คอกเปล่าๆนี่ภายในใจนี้กิเลสออกนั้นไม่ใช่ออกไปอะไรออกไปกว้านเอาสิ่งเข้ามาเหยียบย่มทำลายทำซึ่งจะมีอยู่ภายในใจนี่ให้เหือดแห้ง ไปหมดไม่มีทาเครื่องชุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจนั้นได้เลยความเผลอความคล้อยตามนิสัยยิ่งไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดสุขขุมมากทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายที่หลย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 จนไม่สามารถจะทราบต้นสายปลายทางของมันหากมีเกิดมีตายสูงสูงล่ําต่ําลุ่มลุ่มดอนดเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเป็นพกนั้นเป็นชาตินี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลสูงสูงต่ําๆำอยู่อย่างนี้ด้วยมาไม่มีเวลาหยุดยั้งเพราะเชื้อที่พาให้เป็นไปพาให้เกิดพาให้เปลี่ยนแปลงในพกชาตินั้นๆมันอยู่กับจิด อาเนียกว่าเชื้อได้แก่อวิชาปฏิยาร้งฆ่าดาสิ่งที่แฝงไป <c oughs> กับเชื้อนั้นก็ได้แก่การทำดีทำชั่วจึงมีนิบากสุขทุกข์แฝงกันไปด้วยเหตุนี้พบชาติจึงไม่สม่งเสมอในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เพราะกิเลสไม่พาให้เป็นความแน่นอนได้นอกจากมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้น ตามธรรมชาติของวัตจักรต้องหมุนเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอหมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นตัวของยิเรศวัตจักรโดยสมบูรณ์ที่กลามาทั้งหมดนี้อยู่ในจิตแต่และดวงละดวง เห็นเรานั่งฟังอยู่เวลานี้กิเลสก็ฟังด้วยธรรมก็ฟังด้วยดีไมด่ดีกิเลสจะได้ผลมากยิ่งกว่าธรรมภายในใจดวงเดียวนี้เพราะธรรมชาตินี้ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะสามารถทราบได้ในขณะนั้นๆ้โดยเหตุ น, นี้จึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวเข้าไปอยู่เสมอยาลดละความภาคเพียร เพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ขมาเคพืออแฝงกับจิตจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นคืออะไรท่านให้ชื่อว่ากิเลสตามหลักธรรมให้ชื่อว่ากิเลสอันแปลว่าความเศร้าหมองไม่ว่าสิ่งใดถ้าลงเศร้าหมองแล้วไม่ดีทั้งนั้นเครื่องใช้าไม่สอยยังนุ่งห่ม ที่เกี่ยวข้องกับเราขึ้นชื่อว่าเศร้าหมองแล้วไม่ดีนอกจากมีความโปร่งใสหรือสะอาดสวยงามเท่านั้นกิเลสแทกอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเศร้าหมองแทรกส่วนในจิตนั้นไม่ต้องพูดแล้วมันฝังจมอยู่ด้วยกิเลสกิเลสกับจิตจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทีนี้แสดงออกมาทางกายทางวาจารทำให้เป็นความเศร้าหมองไปหมด ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทาสิ่งนั้นให้เศร้าหมองเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ให้รับความเศร้าหมองไปทำตามกันจากเศร้าหมองก็มืดตืผลทัองมันก็คือความทุกข์ตั้งแต่น้อยไปถึงความทุกข์ใหญ่เรียกว่ามหาตัททุกเกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดเพราะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดในสามโลกธาตุนี้การที่จะแก้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 ทุกยากลำบากเพียงไรไม่ถือเป็นประมาณไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นทางเดินของกิเลสที่จะคอยกีดขวางอยู่เสมอถ้าจะทําความดีแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่จะต้องถูกกีดขวางจากมานซึ่งแฝงอยู่ภายในกิจ ด, ดวงเดียวกันนั่นแหลโดยไม่ละเวน้นได้โอกาสเมื่อใดเป็นแทรกเป็นสิงเป็นกีดเป็นขวางกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามานกิเลสสมาน ก็ขวางจิตใจที่ยำเนินตนไปด้วยความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เสมอมาเอานะักปฏิบัติพิสูจน์ใหเห็นเรื่องจิตเป็นอย่างไรการเรียนรู้ตามตำลับตำลา น, นั้นเราท่านทั้งหลายได้เรียนกันมาพอสมควรไม่เป็นการประมาทปริยัตปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามนี้เป็นเกลียวเดียวกันฟันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวกัน แยกจากกันไม่ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นเอกเทศเป็นเอกเป็นโทษเฉพาะตัวอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทั้งสามนี้กลมกลืนปันกันมากน้อยเทียงไรก็แสดงผลขึ้นมาคือปฏิเวทปฏิเวทโดยลำดับธรรดาขึ้นไปนี่เราเข้ามาสู่ภาพปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเรา จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามมาก็หกเราได้อย่างไรของมีอยู่กับเรามีอยู่กับเขามีอยู่กับเราด้วยกันมาก็หกกันได้อย่างไรพิสูให้เห็นจริงจังวยนักปฏิบัติเหตมันฝังจมลงไปไม่มองเห็นความจริงได้เลยเรายังยอมมันอยู่ตลอดเชื่อมันอยู่ตลอดถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้เข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่เห็นความจริง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 ให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่กับใจอยู่แล้วเราจะลบล้างไปไหนลบล้างความกิงอันนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือสมุทัยพาให้เกิดผลของมันก็คือตายในลําดับลําดายแห่งภพชาตินั้นๆที่สืบต่อกันไปโดยลําดับในธาตุในขันก็มีความทุกข์ติดแนบไปด้วยตลอดถึงอวสานแห่งภพชาตินั้นๆแม้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 แต่ว่าตายแล้วศูนย์ก็ว่าตามคํา ม, มืดดำของตนด้นดาวเกาหมดัดไปอย่างนั้นไม่ใช่พูดตามหลักความจริงกิเลสมันศูนย์ที่ไหนมันพาให้เกิดให้ตายอย่างนั้นยังไม่เห็นอยู่เลอถ้ากิเลสศูนย์ไปแล้วมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเลยนั้น ตายแล้วก็ศูนย์แบบพระนิพพานไม่ได้ศูนย์ไปตามกิเลส น, นี่ศูนย์ตามกิเลสคือศูนย์แบบโลกสมมติด้นเดากันไปศูนย์แบบพระนิพพานคือศูนย์ด้วความบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สมมติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้การกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้พิสูจน์ ความจริงซึ่งมีอยู่กับเรากับท่านทุกๆองค์ทุกๆรูปทุกนามอย่าให้คนอื่นคนใดมาโกหกได้มีด้วยกันสิ่งเหล่านี้โกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ลองให้เห็นความจริงเริ่มต้นตั้งแต่ยิ ต, ตะภาวนาสมาธาิปัตสนาการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะให้กระแสจิตซึ่ง สร้างไปด้วยอำนาจของจิตันหารวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบยิเล็กก็สงบไปตามไม่ก่อควนในเวลานั้นจิตก็พอได้พักผ่อนย่อนตัวเองมีความสุขกาสบายคลี่คลายตัวเองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสงบและเห็นความฟุง้งซ่านโทษในความฟุง้งซ่านก็ได้เห็นในขณะที่จิตสงบ คุณค่าขงความสงบของจิตก็ได้รู้ประจักกับใจเพราะการปฏิบัตินี่เป็นขั้ น, นทำให้สงบได้ทำไมสงบไม่ได้จิตจิตที่ทำให้สงบไม่ได้เพรา ะ, ราะกำลังของกิเลสมันมากยิ่งกว่ากำลังของธรรมที่จอ้ปราบปรามซึ่งกันและกันให้เข้าสู่ความสงบได้เท่านั้นเมื่อได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกิเลส มันจะพ า, พาหอเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญาก็อยู่ที่ใจศรัทธาความเพียรความอดความทนความต่อสู้กันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวกันมันจะอเหินเดินฟ้าไปที่ไหนยิเลศพาจิตเห่ะเหินไปไหนสติปัญญาเครื่องฝึกเครื่องทรมานเครื่องต้านทานกีดกันหรือต่อสู้กับยิเลศจึงจะตามกันไม่ทันนอกจากไม่ผิดขึ้นมาช้าเท่านั้นเพราะมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้ เอาให้จริงให้จังสิงนักปฏิบัติธรรมากของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่มากขัอนพื้นไปจนกระทั่งถึงผลและถึงผลอันสูงสุดประกาศความจริงอยู่ภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลานี้ไม่ได้บกพร่องที่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเปิดสิ่งที่มืดดำอยู่อันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ข้างบนนี้ออไปโดยลำดับลำหนับเท่านั้ น, น, นเราจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้ง อันเป็นกระแสห่งความวิเศษของกิตแสดงตัวออกมาให้ได้ชมเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาจิตมีความสงบการสงบนั้นมีหลายอาการยาสำคัญมั่นหมายกับผู้นั้นผู้นี้ยึดมาเป็นสมบัติของตัวนั้นไม่ถูกจะสงบแบบไหนก็ ผลก็ต้องทราบชัดๆว่านี่คือจิตสงบไม่วุ่นวายสงบอย่างแนบแน่นก็ทราบสงบอยู่ในวงจิตโดยเฉพาะแต่มีความคิดตุงได้อยู่อย่างละเอียดละเอียดได้อยู่อย่างนี้ก็ทราบนี่ก็เรียกว่าสงบเราจะไปคาดนะตามที่ท่านเขียนไม่ในปริยัตมาภาไปคาดในขณะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูก การปฏิบัติก็ต้องให้อยู่อยู่ในวงปัจจุบันต้องประคาาที่นู่นที่นี่หลักจึดของวงปัจจุบันก็ได้แก่อารมณ์ของสมถะจะเป็นบทใดก็ตามในสมถะที่่านกล่าวไว้สี่สิบประการนั้นมีอนาปาณาติเป็นต้นกำหนดลมก็ให้ลมรู้อยู่กับลมขณะที่ลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกส่วนมาก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 เป็นคำบริกรรมก็เช่นเดียวกันสำคัญอยู่ที่สติถ้าจิตมันแยบออกโน้นแยบออกนี่ได้อยู่คำบริกรรมก็ต้องถี่ยิบเข้าไปโดยลาดับเพื่อให้ถันแม้มันมีโอกาสตรุงได้นี่หนักก็หนักเพราะต่อสู้กันนี่กิเลสไม่เห็นว่ามันว่ามันหนักไปเบาไปมันทำไมมันสู้เราได้ตลอดเวลาเวลาเราจะสู้กับกิเลสทไมจริงแค่ว่าเห็นาว่าหนักไปเบาไป ไม่ใช่ยืน่นตาใมันฟันคอเอาแล้วเหรือนี่แหละคนุบาณที่เด็กมันเร็วอย่างนี้นะไม่ทันตั้งจิตให้อยู่ในนั้นจิตจะสงบตัวเข้ามานี่แหละพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบหรือเหตุอันสําคัญที่จะให้จิตเกิดความสงบเห็นประจักษ์ภายในตนได้เพราะการภาวนาดังที่กล่าวมานี้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ะ เมื่อจิตมีความสงบตัวพอสมควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดควรก็ควรพิจารณาไม่ควรนอนใจกับความสงบเพียงเท่านั้นตามขั้นของสมถะซึ่งเป็นบาทฐานของนิพพสนาได้แก่ปัญญาเป็นกันขั้นขึ้นไปจิตไม่พาคิดให้เป็นปัญญาไม่เป็นต้องพาคิดก่อนในเบื้องต้น หาอุบายินิจพิจารณาเทียบเคียงเหตุผลต้นปลายใกล้ไกลในนอกมาบวกกันเข้าแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลําดับเห็นอนิจจังมีได้ทั้งภายนอกภายในเทียบเทียงกันได้เนี่ยเรียกว่าบวกกันเข้ามาภายนอกมาบวกกับภายในในตัวของเรานี่เป็นอย่างไรเหมือนกันกับภายนอกไม้นําภายในออกไปบวกกับภายนอกเหมือนกันไหมเทียบเคียงกันกับภายนอก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 ตามหลักความจริงอย่าให้กิเลสลากไปดูไปสวยงามไปน่ารักน่าชอบใจน่ากำลัดยินดีนั่นคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจให้เป็นเช่นนั้นทั้งๆที่มันปลอมร้อยปอรเซ็นมันก็ยอมรับเพราะจิตไม่มีสมบัติเป็นของตัวอาศาัยกิเลสมาเป็นสมบัติมันจึงกลายเป็นยาพิษเผารวนจิตใจตลอดมาหาได้ทราบไหมว่ากิเลสนั้นคือยาพิษ แล้วก็ไปกลมกลืนกับที่เลส จ, จะ ก, กลายเป็นพิดเป็นภัยแก่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความรักเกิดขึ้นมันเป็นสุขที่ไหนความชังเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความเครียดความโกรธเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความไม่รักไม่ชังไม่เปลี่ยนไม่โกรธต่างหากเป็นความสุขความสบายความไม่กระเพื่มขุนมัวตัวเอง ก่อนอื่นเราต้องพิจารณาแก้กันในจุดนี้ก่อนเรื่องอาสุภาอาสุพังยกร่างไหนออกมาก็ให้มันเห็นเป็นร่างผีดิบไปหมดพิจารณาแล้วพิจรารณาเล่าแล้วเทียบเข้ามาภายในแยกส่วนแบ่งส่วนเรือให้ตายแล้วเน่าพองหนองน้าหนองไหลออกมาให้เห็นทัดเจนนั่นแหละคือความจริง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 มูลุ่ตาฟางก็หลงกันได้เพราะมันมีเชื้อแห่งความหลงเต็มอยู่ภายในาจิตใจอยู่แล้วจําให้หลงได้ยังไงปกติมันก็คอยจะหลงอยู่แล้ว <c oughs> ยิ่งมีสิ่งมาเสริมให้หลงมันก็ยิ่งหลงไปได้เร็วตามไปได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมคือความจริงเป็นขั้นขั้นเข้ามาแก้ความจริงในเบื้องต้นที่จะแก้ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกมีอยู่เต็มร่างกายทั้งเขาทั้งเรา เต็มไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอันใดแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอานมีแต่เต็มไปด้วยของสโสโครกโรคลุงหลังหมดทั้งล่างทั้งภายในภายนอกกันทั้งนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ซําๆซากๆถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆด้วยการพริจารณานี่แหะคืองานของจิตงานของเราเพื่อถอดถอนความผูกพัน ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นของสวยของงามว่าเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจเข้ามาได้โดยลา ด, ดับเพราะวิปัสสนาในขั้นนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งรู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบมัวมัวแบบรุ่มหลงหลงรู้จริงๆในขั้นนี้ก็เห็นจริงตามนั้น เรียมว่าอสุภะจนได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อชำนาญเข้าจริงๆแล้วมองดูคนหญิงชายนี่มันจะไม่มีหนังทั้งๆที่ออกหน้าออกตาตบหน้าตบตาบุรุตาฟางมาเป็นเวลาหนาแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปทราบเข้าไปโดยลําดับจนกลายเป็นความํานาญแล้วหนังจะไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกสุดท้ายก็เป็นโครงกระดูก เดินหยอกหยอกยอกมีแต่โครงกระดูกทั้งนั้นนั่นคือความชนานาญของปัญญาจากนั้นแล้วกดฉลัดโครงกร็กระดูกนั้นออกไปหรือร่างนั้นออกไปสลัดอยู่ภายในจิตรู้เท่าทันทั้งสิ่งนั้นด้วยรู้เท่าทันทั้งจิตผู้ไปพินิพิจารณานั้นด้วยในสองเงื่อนนี้บวกกันเข้าจิตถอนตัวออกมานี่คือความอิ่มพออย่างการพิจารณา เรื่งร่างกาอิ่มพออย่างนี้แต่เคล็ดลับนี้เราจะไม่พูดพูดแล้วพูดมีเจตนาเป็นธรรมจะไปหมายอยู่อย่างละเอียดละเอียดผู้ไปเป็นธรรมก็จะเอาอุบายเหล่านี้ไปจับจ่าย้ายกินยิ่งเร็วร้า ย, ยิ่งกว่าอะไรไปให้พิพจารณาอย่างนี้ก่อแล้วกันเคล็ดตรงนั้นที่ว่านั้นจะรู้เอง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 อย่าได้ลดละจะเห็นสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะรื้อถอนเราให้พ้นจากทุกสิ่งเหล่า น, นั้นมีแต่พอจะกดถ่วงลงให้จมลงไปโดยลําดับไม่เห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแข่งทำได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะแข่งทำได้แล้วโลกนี้ก็ เป็นโลกแข่งทำมานานแล้วทำที่ว่าเคยประเสริฐก็ไม่ประเสริฐแต่นี้ทำเป็นของประเสริฐมาดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมด้วยเพียงแต่สัมผัสสัมพันธ์รสชาติแห่งธรรมเพียงเล็ดน้อยก็หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเช่นจิตมีความสงบเย็นภายในใจทําไมจะไม่หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาศรัทธาความเพียรจะต้องเพิ่มขึ้นโดยลําดับเป็นอาจจะเป็นกลายเป็นอัจฉรศรัทธาความเชื่อมั่นฝังลึกถอนไม่ขึ้นนี่ เพราะอำนาจแห่งรสของธรรมนั่นแหละทาให้เกิดเป็นอจารณาศรัทธาเชื่อมัน่นฝังแน่นจนถอนไม่ขึ้นได้เพราะรสแห่งธรรมรสจิเลตจะเคยฝังลืกขนาดไหนก็ถอนตัวขึ้นมาสู้รสของธรรมไม่ได้มีการพิจารณาวิปัสสนาแยกแยะจากนั้นจะพิจารณาเป็นาธาตุเป็นขันธ์อะไรแล้วแต่ความถนัดของ ตนเถอะเมื่อสติปัญญาได้ก้าวออกเดินแล้วจะแยกแยกตามความถนัดของตนโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นเยไม่งั้นจะเรียกว่าปัญญาได้ยังไงความพิดแพงเปลี่ยนแปลงย้อนหน้าย้อนหลังขึ้นอยู่กับปัญญาหมุนช้าหมุนเร็วเป็นไปเพราะความชำนาญของสติปัญญาไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจะหมุนตัวไปเองในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ลาบากลาบากอยู่มาก ใช่ลำบากธรรมดาดีไมด่ดียังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ทำความคาดความหมายคําในคําว่าลําบากนั้นมักจะมาเป็นอุปสรรคเพื่อการดาเนินเสียมากไปยิึงดําเนินไปไม่ได้นี่เราสาคัญแล้วที่ว่าเหล่านี้คืออะไรก็คือกลนุบายของยิเรศหลอกเราอยู่นั่นแหละไม่พ้นจากสิ่งนี้ไปได้ รันธะจริงว่ากิเลสนี้แหลมคมไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้นอกจากทรรมเท่านั้นจะเหนือกิเลสได้จริงจะรู้เพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรู้ทันหมดนอกนั้นไม่มีทางที่จะรู้ทันกิเลสได้มีขั้นของปัญญาในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันทั้งขานขัน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 พาให้สําคัญมั่นหมายมันอยู่ที่กายอะไรสาคัญว่ากายเป็นนั่นเวทนาเป็นเวทนาพิจารณาเข้าจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเขาเป็นกายทุกก็สักแต่ว่าทุกอืมเขาไม่รู้ความหมายขอเขาว่าเป็นทุก์และเขาไม่รู้ความหมายว่าเขาได้ไปให้ทุกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่นนสิ่งใดนอกจากกิจซึ่งเป็นตัวสําคัญเท่านั้น<โทษ>เวลาพิจารณาทั้งสองอย่างคือกายเวทนาเนี้ย ต้องได้ย้อนมันย้อนมาเองพิจารณาตัวจิตทั้งสามอย่างนี้ชัดเจนตามความจริงของตนแล้วย่อมปล่อยวางถึงทุกเวทนาจะเกิอดหยุ่มากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิตกายก็สัตแต่ว่ากายแต่นั้นไม่ได้มีความสำคัญว่าตนเป็นทุกข์หรือเป็นอย่างใดเลยนอำนาจของปัญญาแยกแยะกันเช่นนี้ มีเวลาที่จะพิจารณาให้ค้าเคล้ากันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เวลาจะพิจารณาจาเพราะรูปปัจขัเช่นอสุภอสุพังก็พิจารณาไม่ใช่จะไปแบบเดียวไปหน้าเดียวการพริจารณาเวทนาที่ว่าลำดับไปจากรูปกายนี่หมายถึงลำดับจากอสุภอสุพังร่างกายนี้ได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจนปล่อยวางกันหมดปัญหาแล้วเรื่องเวทนาครับคิด นี่ที่นี้เป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไปเองเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเข้าถึงกันสัญญาสังขารเพราะสติปัญญาไปรวมตัวอยู่ในจิตหมดแล้วสังขารปรุงก็ปรุงขึ้นจากจิตสัญญาหมายเอาไปก็ไปจากจิตนี่เมื่อสติปัญญาก็อยู่ที่นั่นแล้วทําไมจะไม่ตามกันให้หิวแจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงต้อง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 แต่มันมาครุ่นคิดอยู่ภายในยใจิตใจมาเป็นทัญญาลมภายในยใจิตใจใจก็เพลินไปตามนี่เพลินไปทางโศกเพลินไปทางสุขมันเพลินต้องมันเล่นหลงเงาของตัวเองตื่นเงางตัวเองทุกตามันอยู่นี่ไม่รู้นี่ร่มก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วเกิดขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าจะอาการใดเรื่องใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับ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 สัญญาหมายไปพปบมันก็ดับเอาจริงเอาจังอะไรกับมันให้มันหลอกอยู่อะไรนักหนาเนี่ยสังขารกระปรุงยบแยบเหมือนิแสงหิ่งห้อยเหมือนฟ้าแมบนี่ยบแยดับๆับดับเนี่ยก็มีท่านี้วิญญาณรับทราบจากสิ่งท้่มาสัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับอายุรธาพนในคือตาหูจมูกทิ้งกายของเรามันก็ดับไปดับไปในขณะที่สิ่งที่มาสัมผัสนั้นผ่านไปดับไป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 ต้องเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันปล่อยของมันเองนานยังไงนี่แหละการพิจารณาให้พอเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาเจากนั้นมันก็เหลือแต่จิตอืจิตที่พิสูจน์อันนั้นก็อมันก็ออกมาจากมันก็เกี่ยวกับสังขารแม้จะรู้แล้วมันก็ต้องตามมันเข้าไปหาหลักใหญ่ของมันอยู่นั่นแหละ รู้เท่ามันหมดทั้งสัญญาทั้งสังขานก็ยังต้องอาศัยนิดเป็นต้นเหตุตามเข้าไปหาต้นต่อทข้ามาจนกระทั่งถูกทางทลายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละจอมใจพบว่าทางกระจายอกไปจากเหตุแล้วที่นี่ความจริงมีขนาดไหนพยายามให้ค้นให้พบแต่ัอยู่ที่หัวใจทั้งนั้น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 แต่ก่อนเป็นฐานะที่เหมาะสมกันกับการเกิดการตายก็รู้เพราะกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปเท่านั้นมันก็หมดยุติเรียกว่าวิวตัตนะฮะลต่ก่อนเป็นวัตตาหมุนติ้วติ้ว อ, อย่างนั้นเพราะกิเลสสิ้นสุดจากใจลงโดยประการทั้งปวงแล้ววิวัตตาก็ขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเสกไม่เสกก็ตามรู้จริงเห็นจริง เต็มหัวใจของผู้เป็นเช่นนั้นนี่แหละท่านบอกปฏิเวทปริยัติเราก็ได้เรียนมาแล้วพอเป็นกุยหมายป้ายทางปฏิบัติดําเนินตามที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วสอนว่ายัางไงให้พิจารณาตามที่ท่านสอนเอาพิจารณาเจริสารลงมานะขาทันตาตะโจมันเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่ของมันเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ล่ะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราได้ดูกันแล้วอย่างดูให้เห็นความจริง จนกระทั่งเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันก็ปล่อยข้อมันนี่เป็นเป็นปฏิเวทะโดยลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงเป็นปฏิเวทะรู้แจ้งแทงทะลุหมดทั้งธาตุทั้งขันอืทั้ง จ, จิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแม้นิดหนึ่งเนี่ยรววู้แจ้งแทงทะลุเป็นปฏิเวทะธรรมเต็มผูกถ้าวันนี้โรตก็ดับทุกภายใน จ, ใจิตใจอย่างสนิทเพราะสมุทัยสิ้นสุดลงไปแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญา นี่ผลของงานแห่งเพศของเราผู้ปฏิบัตินี่เป็นเป็นงานนั้นสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วและเป็นผลนั้นสำคัญที่กล่าวอยู่ขณะ น, นี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้ประกอบงานใช้ชนะชนะอะไรขอพอความแพ้กิเลกกิเลนมาอย่างราบตลอดสายนั่นเอง หาความชนะไม่ได้มีชนะเข้าไปโดยลาดับนับจนกระทั่งชนะอย่างเด็ดขาดเอกัญจะเชยมัตตานังสเวสวะสั่งงามชุดตมโมการชนะตนเพียงกิ่เลทของตนหรือชนะตนกิ่เลทภันใจของตอนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวนี้เท่านั้นแตนความเลิศประเสริญยิ่งกว่าการชนะสงครามทั้งหลายดังโลกที่เป็นมาเป็นไหนไหนนี่นี่ววเราคําเลิศแท้ๆอยู่ที่ตรงนี้เอกัญจะเชยมัตตานังสเวสวะสั่งงามชุดตมโม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 เมือ่อมันมีแต่กองฟืนกองไฟเพลิดเพลินกับความภาคความเพียรถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวไฟนี้ออกแล้วน้ำคือความเย็นอมตะธรรมไม่ต้องถามไม่คงเป่งอยู่ในนี้เลยทีเดียวเน<ม>ี่ยผู้ปฏิบัติเอาให้ยิงให้จังนี่ก็เดีพยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มทติกำลังความสามารถไม่มีลีลับผมเปิดอย่างเต็มที่ด้วยความไม่ตาสงสารเพื่อน วิธีการดาเนินเป็นมาอย่างไรอย่างไรสูงบ้างต่ำบ้างตามกําลังความสามารถของตนทรี่ดาเนินมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่เคยปิดบงังลีล้หลับแสดงให้ทังทุกแง่ทุกมุมอุบาจะเฉพาะอย่างยิ่งอุบาวิธีการต่อสู้กิเลสให้ทันกับคนมายาของกิเลสนี่เลยย้าแล้วย้าเ่าเพราะมันสําคัญมากทีเดียวยากที่จะรู้ตามมันทันคนของมายาของมันหมดทั้งตัวมีแต่เรื่องของกิเลสห้อมล้อมอยู่จนมองหาคนมองหาพระ ทั้งองค์ไม่เห็นเห็นแต่เรื่องกิเลสล้อมอยู่หมดมันจะไม่โมโหหน้าโมโหได้ยังไงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนกระแสต้องทำแทะเขาไม่ได้ถูกกิเลสปัดป้องออกหมดตีต่อยออกหมดเจ้า mm. ของยังไม่รู้ตัวเลย mm. เหมือนควายตัวหนึง่งพอทำแทระไปปั๊บ ก, กิเ mm. ลสปาดปุ๊บความเซ่อซ่านั่นแหละกิเลสตัวเซ้อซ่าก็มีตัวหนึ่งมันให้ใ ห, ให้เซ่อซ่า สติปัญญาไม่ทันว่าอย่างนี้เคลื่อนไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้นพลาดไปอย่างนี้อยู่งั้นมันจะไม่เต็มตัวของเราไงพลาดมันก็พลาดหมดทั้งตัวเผลอก็เผลอหมดทั้งตัวหมดทั้งใจเราจะว่าไม่เต็มไม่เต็มตัวอย่างไรนี่ทำแทรกไม่ได้ที่ทำให้จริงเราจะเห็นของจริงโดยไม่ต้องสงสยัยเมื่อเห็นของจริงเต็มส่วนแล้วหายสงสยัยอดีตอ น, นาคตปวดเรื่องไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า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 คือว่ามาศึกษาไม่ใช่บอกมาฟังโอวาทนาโมตัสสะสอนอย่างนี้จึงเรียว่ามาฟังการอบรมโดยท่ายเดียวฟังหมดอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ควรจะเกิดขึ้นทางตา ก, ก็ให้เกิดควรจะเกิด ข, ขึ้นทางหูก็ให้เกิดจะเกิดขึ้นทางสติปัญญาที่เราได้สิ่งเหล่านั้ น, เ ห, น, นเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาจนเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์สมบัติของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาก็ให้รู้ให้เป็นไปโดยลํำดับ จึงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกให้ดูแบบฉบับของหมู่ของเพื่อนให้ทำมีธรรมเป็นแนวเดินแนวทางแห่งความคิดการพูดการปฏิบัติต่อกันอย่านำกิเลสเข้ามาเป็นขวักเป็นหนามเป็นเขี้ยวเป็นเขามากัดมาฉีกมาผิดมาชนกันนั่นเป็นลักษณะของหมาของวัวของควายไม่ใช่ลักษณะของผู้มีธรรมเฉพาะออย่างยิ่งไม่ใช่ลักษณะของนักบวช กรรมาฐานอย่านํามาใช้เราตั้งใจจะมาฆ่ามันอยู่แล้วทําไมจะมาเสริมเครี่องเสริมฟันให้มันอืนี่ก็ไม่ทันมันอีกถ้ามันเหยียบย่ําเอาอีกน้ำ ม, มันระวังความเมตตาสงสารต่อกันและกันความเป็นธรรมต่อกันนั่นแหละคือลูกศิทธถาโขดลูกพระสถากขดเป็นอย่างนั้นให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลา มีความเป็นความถูกต้องอยู่ด้วยกันมากน้อยเป็นผาสุขทั้งนั้นนะต่อวันนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายขึ้นครับ